มีหนังสือหลักจริงๆก็คือประวัติหลวงปู่มั่นและกับปฏิปทาพัะทูตองกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและกัหยดน้ำบนใบบัวประวัติขององค์หลวงตาทั้งสามเล่มเนี่เป็นหนังสือหนาแต่ของหลวงตาไม่ค่อยมากหยดน้ำบนใบบัวแต่ปฏิปทากับประวัติของหลวงปู่มั่นเนี่ยให้ถือว่าสามเล่มเนี่เป็นพระเอกก็งั้น จากนั่นก็คำถามคำาตอบหลวงปู่ล่าบางังหนังสือเจดีหลวงปู่ล่าบางังหลวงปู่สิงทองบงังแล้วก็ทำมาลิกิตของหลวงตาด้วยผสมประสานกันที่มีหนังสือที่มีอยู่ในวัดอย่างน้อยก็ให้พระนว ก, กะที่เขามาบวชได้ศึกษาประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตุลงกรมฐานสายหลวงปู่มั่นและก็ศึกษา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 ที่ต่างๆหรือไปเห็นในหมู่บ้านไปเห็นบ้านของคนมาทิ้งอยู่ที่โต๊ะรับแขกเนี่ยเด็กตัวเล็กๆก็มาโยนกันไปโยนกันมาฉีกกันไปฉีกกันมาเยี่ยลรถบ้างอะไรบ้างทิ้งผลที่สุดก็นั่นแหละที่นี่เอาเป็นเอาไปขายเอาไปขายเป็นของเก่าเป็นดีเซลไปทั้งหมดน่าเสียดายเพราะเหตุอะไร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 ถ้าเราไม่ได้อ่านเราก็เก็บไว้ในหิ่งชุง้งสูงไว้ถ้าเมื่อเราต้องการแล้วก็เอามาอ่านไม่ใช่หนังสือนิยายไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นหนังสือธรรมะอเราต้องแยกอีกให้เป็นประเภทหนึ่งเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในหิ่งเมื่อมีคราวจําเป็นมาจึงค่อยออกมาอ่านออกมาศึกษาจุดนั้นแหละจะได้ผลได้ประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ได้ รู้จักคุณค่านะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นแนวทางของชีวิตเป็นแนวเป็นแนวทางเป็นเครื่องชีน้นําชี้แนะแนวความคิดแอบไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นถ้าว่าเราคิดถูกแล้วการบริหารงานก็ถูกการดําเนินงานทุกอย่างก็ถูกต้องไปด้วยถ้าเราคิดผิดจะอย่างเดียวเป็นมิจฉาทิฐิซ ะ, ะคิดผิด ทำอะไรมันก็ผิดพูดอะไรมันก็มันก็ผิดเพราะเหตุอะไรเพราะคิดผิดนะเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญาตัวนี้อยู่ในจิตใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าในมรรคแปดนีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะความเห็นชอบไม่ใช่ตาเห็นชอบหูเห็นชอบไม่ใช่ใจเห็นชอบใจนะคือตัวรู้รอยู่นี่ยนะเห็นชอบนะในเมื่อใจเห็นชอบแล้วกายการพูดการกระทำก็ไม่ทะไปในทางที่ถูก การพูดกเข า, ไ ป, าไปในทางที่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะใจใจเป็นสัมมาทิฏฐิใจได้รับการอบรมใจได้รับรู้เรื่องธรรมะเรื่องที่ถูกต้องแล้วใจเป็นธรรมใจมีเหตุผลการกระทําการพูดออกไปกระล้วนแล้วเป็นเหตุผลด้วยการทั้งนั้นแต่ที่ไ้ธรรมะเนี่ยหนังสือธรรมะก็ดีเอ็พสาก็ดีเอาไปฟังเพื่ออะไรเอาไปฟังสอนใจ สอนตัวนม า, ามาทําตัวผู้รู้ตัวนั้นอ่ะอตัวความคิดตัวนั้นอ่ะให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเครื่องชี้นําทางด้านจิตใจจิตวิญญาณอถ้าว่าจิตวิญญาณถ้าว่าความเข้าใจถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปในทางที่ดีด้วยไปในทางที่ดีเป็นในทางที่ถูกที่ตอกถูกต้องเหมาะสมโดยประการทั้งปวงคนะ เพรใจของเรามีธรรมะในจิตใจแล้วเมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้อบรมพระใหม่การพูดในแนวเมื่อคืนนี้พูดเกี่ยวกับในยุคสมัยนั้นกับยุคสมัยนี้ยุคสมัยนั้นเป็นยังไงยุคสมัยก่อนในยุคสมัยในครั้งพุทธกาลถ้าเรามาเอามายุคเอามาศึกษาดูในพระไตรปิฎกแล้ว ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่แพ้กันสรุปแล้วเพราะเหตุไรเพราะยุคนั้นสมัยนี้กิเลสคนเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ากิเลสสมัยนั้นอเป็นกิเลส ช, ช่วช้ารามกุกสมัยนี้เป็นกิเลสทองคําไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสสมัยนั้นกับกิเลสสมัยนี้โลภโกรธโถงมันเหมือนกันคาว่าโลภก็โลภจริงๆฮ้อย่างพ ร, พระเจ้ามันทาตุราชเนะไม่ใช่แต่โลภแต่คนในเมืองไทยของเราน ะ, ะเมืองไทยของเราโลภ ก็ยังไม่เพียงพอในยุคสมัยนั้นโลกรกระทั่งพระยามันทาตุราชเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิปกครองโลกเป็นอของ ต, ตัวเองทั้งหมดแห่งพระอินทร์อยู่บนสวรรค์กงน้ำเออพระยามันทาตุราชเป็นผู้มีคุณธรรมควรจะเอาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยเป็นเพื่อนกันเพราะเขาเป็นเป็นผู้มีคุณธรรมแต่พระอินทร์ไม่ได้มองเห็นว่าข้างใจในใจของพระยามันธาตุราชนั้นมันเป็นยังไง เห็นแต่ภายนอกก็เออดีฮจากนั้นก็เอาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดชั้นดาววัดึงด้วยกล็ลยแบ่งสวรรค์ให้คนละครึ่งกันพระอินทร์กับแสงใ จ, ใจใจดีนะขนาดพญามันทาตุราชปกครองทั้งโลกแล้วเป็นสมบัติของตัวเองนะขึ้นไปบนสวรรค์พระอินทร์ยังแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเหมืกันนะให้ปกครองกันคนละครึ่งพระอินทร์กับพญามันธาตุราชถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นพญาจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิแต่นี่พระเจ้าจักรพรรดิพยามันตาตุราชความโลภมันเหลือเหลือเกินว่างั้นเออความโลภมันมากมายมหาศาลเลยความโลภโมโหโทสันความโลภไม่มีที่สิ้นสุดขนาดได้มเมืองมนุษย์ได้ทั้งหมดแล้วขึ้นไปสวรรค์ได้ครึ่งหนึ่งแล้วปกครองกันโคนละครึ่งกับพระอินยังคิดขึ้นมาว่าถ้าเราเอาทั้งหมดเอาทั้งชั้นจะไม่ดีเลย ทำไมเราลองจะไปให้แบ่งกับคนอื่นอีกเอาคนเดียวจะไม่ดีเลยนะพยามรรทาตาุลาศวางแผนฆ่าพระอินทร์อีกว่างั้นฮะเห็นไหมนะทั้งที่เขาแบ่งสมบัติให้ตัวเองแท้ๆนะวางแผนฆ่าพระอินทร์แต่ว่าสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนมนุษย์เนะี่ยมนุษย์มันฆ่ากันได้เลยมันหยาบแต่เทวดามันเป็นบุญนะก่อนเกิดมาด้วยบุญนะเกิดมาด้วยบุญแต่ไม่จะวางแขนแผนฆ่าพระอินทร์ พอคิดวางแผนเนทะ่านั้นใจมันเศร้าหมองนะสอใจเศร้าหมองอับเฉาเข้าไปสิเนี่ยพอหมดบุญทันทีแล้วเนงะี้ยมันเป็นบาปเลยเป็นบาปอากุศสเข้ามาแทนที่แล้วอพอมันเป็นบาปผมปุ๊บพยายามมันทาตูร่าตกจากสวรรค์ทันทีเลยเงั้นะลงมาเมืองมนุษย์เลยนี่แหละไอความโลภเนะี่ยมันไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เอาเงั้นไม่มีที่สิ้นสุดตามไม่จริงจะไปโลภอะไรมากมายนักหนา มนุษย์ของเราเพียงพออยู่พอกินให้ได้รับความสะดวกสบายในระดับหนึ่งก็พอแล้วเออได้ขนาดนี้ลูกเต้าของเราลูกหลานของเราหาอยู่หากินก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเราโลภเกินไปมันไม่ใช่ของเรานะพอได้มาแล้วกันเลยนะลูกหลานของเขาเอาไปเอามาใช้อิรุยชุยแชดตัวเองก็ตายไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไร โลภมาให้คนอื่นใช้เกิดมาเพ้อเอยังมาเกิดเป็นหมาเขาอีกยังโตทยพรรมโตทยพรรมเป็นคนขี้หเหนียวในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นคนร่ำรวยเหมือนกันเป็นคนรวยมากๆในยุคสมัยนั้นที่นขี้เหนียวและมลีลูกชายคนหนึ่งเต็เวลาสอนลูกชายก็บอกนะบอกว่าลูกเอ้ย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 เงินทรัพย์สมบัติก็จะมากมายเพราะนั้นอย่าไปใช้นะเงินนะต้องเก็บไว้นะต้องรักษาไว้นะอันนี้ก็คือคําพูดของเศรษฐีพัมสอนคนบริวารสอนลูกชายตัวเองที่จะแบ่งปันให้แก่คู่คนในทั้งที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วจะทำบุญทําทานเสียสละนิมนต์พระสงฆ์มาทําบุญทาทานเลี้ยงพระสงฆ์ไม่มีเหมือนกันะมีแต่เก็บอย่างเดียวผลที่สุด คนขีตันีเย้งก็ตายไปเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ตายนะพอตายไปแล้วแต่นี่ไม่ได้อะไรสักอย่างเัง่านั้นเขาเลยไปเผาไฟทิ้งอีกเหมือนกับคนทั่วไปพอไปตายแล้วแต่นี่คนขีตันีใช่ไหมละ่ะมันหวงสมบัติมันไม่มีบุญมันเพราะมันไม่ได้สร้างบุญเอาไว้ไม่เคยทําบุญเอาไว้มันก็คิดถึงบ้านถึงถึงเรือน่ะใจดวงวิญญาณคือนามธรรมเลยตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก นามาทำตัวนี่มันก็คิดถึงบ้านเลยมาไม่รู้จะหาเกิดที่ไหนลูกชายก็มีพัญญาทุกแต่ไม่รู้จะเกิดเป็นบุญวาสนะตัวเองก็ไม่มีเพราะไม่ได้สร้างบุญเอาไว้เลย ม, มาเกิดเป็นหมามันนไมาเป็นหมาในบ้านมาเกิดกับลูกหมานะพ่อเกิดขึ้นมาเศรษฐีเลยอู้รักหมามากเลยไอ้ที่เป็นลูกชายโตทายพราทพ่อเห็นหมานี่คือเกิดขึ้นมารักมากพอนิสัยมันเกี่ยวพันกันเนะี่ย ถึงมันจะเป็นหมาก็คือเป็นพ่องหมนันนะเป็นพ่อตัวเองมาเกิดเป็นหมารักมากาเหมือนนนะเศรษฐีอาบน้ําให้ให้คนอาบน้ําดูแลยอย่างดีเหมือนกันนะหมาตั้นั้นเป็นว่าใหญ่ขึ้นมาสมบูรณ์เพราะเป็นหมาเศรษฐีเป็นหมาโปรดของเศรษฐีเหมือนนลูกเศรษฐีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารท่านนั่งสมาธิ จวนสว่างท่านก็มองเห็นสัตตวโลกกันตอนจวนสว่างเนี่ยท่านจะมองจากพระองค์ออกไปขอบจากกวานแล้วก็มองจากขอบจากกวานเข้ามาหาพระองค์อืมจะได้โปรดไขวันนี้จะไปโปรดเวนยศสัตย์จะไปโปรดไขวันนี้ท่านก็ไปเห็นลูกชายของเศรษฐีโตชยพรามอืมถ้าเราไปโปรดเขาน่ยเขาคงจะเข้าใจในธรรม เขาคงจะได้สำเร็จเป็นพระสูดามันเพราะว่าเขาได้สั่งสมมาบุญมาพอสมควรแต่ถ้าเราไม่โปรดเขาก็มันจะเปล่าประโยชน์เพราะนั้นวันนี้จะได้ไปโปรดเขาทีนี้พระพุทธองค์ก็ไปบินธบาตตอนเช้านะไปบินธบาติท่านก็ไปยืนดูหน้าประตูของบ้านเศรษฐีวันนั้นเศรษฐีไม่อยู่เทนีเศรษฐีออกไปทำธุระเศรษฐีหนุ่ม เศรษฐีบุตรนะ่ยตอนี้พระพุพพทธองค์ไปยืนอยู่หน้าประตูไอ้หมาดําใหญ่ตัวนั้นนะ่ะที่เป็นหมาโปรดของเศรษฐีที่ว่าพ่อมามาพ่อตายแล้วมาเกิดเป็นหมานะ่ยมันเห็นสมุติเห็นสมณะเห็นพระพุทธเจ้ายืนอยู่หน้าประตูบ้านนะ่ะมันก็ออกมาก็เห่าแล้วอวงวงวงเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะพระพทุทธองค์ก็ยืนอยู่พทุทธองค์ว่า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 ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดเท่า น, นั้นนองพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่สอนหมานะสอนหัวใจของหมาครับงั้นแฮ่สอนหัวใจของหมาที่มันคิดอย่างนี้นหมาเท่า น, นั้นก็ปุ๊บเลยรวะงั้ น, นก้มหน้าปุบมันคงจะละลึกชาติได้เหมือนกันพอกลับเข้าไปในบ้านเท่า น, นั้นเองท่นี้อ๋อเป็นหมาตัวใหม่เลยเป็นหมาที่ง่อยเหงาเป็นเหงาเป็นหมาที่เศร้าซึมเป็นหมาที่ไม่ล่าเริงเหมือนตะก่อนนะ เพรมันคิดถึงกรรมชั่วของตนเองทีนี้ก็คนในบ้านเอ๊ะหมาทําไมมันมันเป็นโรคอะไรมันทําไมอย่างงี้ทําไมไมัน ไ, ไม่ไม่ราเรืองเลยจากนั้นมาเขาก็จับขึ้นมาจับไปมาปล่อยปุ๊บไปไปนอนโคกขี้ฝุนขี้เท่าอยู่ในบ้านที่เขาทําอาหารนี่ยไปนอนขดอยู่นั้นเอ้าเอามาเอา้เอาเอามาล้างน้ําอาบน้ําให้เช็ดอะไรให้เสร็จแล้วปล่อยปุ๊บป่ะกลับไปนอนขี้เท่าอีกอย่างเก่า คือคุกคีเท่าตลอดว่างั้นเลยมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลยแต่จากนั้นเศรษฐีหนุ่มก็เลยมากลับมาถึงบ้านเขามาก็เรียกหาหมาก่อนว่างั้นพรตะกอนพอเห็นเจ้าของมันกระโดดเข้ามาลแแสดงความยินดีเหมือนกับหมาเห็นเจ้าของที่รักแสรนรักเนด้วยกันว่างั้นแต่ข่าวนั้นเฉยหมากันหน้าจ้อยงอยเงาว่างั้นแต่ เ, เศร้าซึมเศรษฐีอ้าหมาไปไหนนะ พวกคนใช้ว่าหมาวันนี้แปลกจริงๆมันไม่ยอมออกมาเลยเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเศร้าซึมเลยเงั้ยแลวทำไมสมณะโคโดมมายืนอยู่ที่ประตูบ้านหมาเะึกอะไรไปเห่าพอไปเห่าพวกสมณะโ ค, โคโดมก็บอกขึ้นมาว่าโตทยาพามเธแต่ก่อนเธอเป็นเศรษฐี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 ตีหางมันเหมือนกันชูคอขึ้นมาโอ้ส ม, มณะโคดมพูดอย่างนั้นได้ยังไงเทําไมจะดูถูกเราถึงขนาดนั้นดูถูกพ่อเราถึงขนาดนั้นพ่อของเราก็ไม่ได้ทําความชั่วยอย่างอื่นขี้ตะนีก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายที่ไหนทํำไมส ม, มณะโคดมจึงพูดอย่างนั้นนะโมโหขึ้นมาอย่างอ้าเดี๋ยวเราจะไปถามดูมันเป็นเรื่องอย่างไงแต่นี้จะพ่อเห็นหมาตัวเองกับมันเศร้าซึมเลย จากนั้นก็ออกไปวัดปลายเชตตะวันไปก็ไปถามพระพุทธองค์บว่าท่านสมณโคดมท่านได้ไปบิณธบาตผ่านหน้าประตูบ้านของข้าพเจ้าใช่ไหมพระพุทธองค์บอใช่เราผ่านไปที่นั่นท่านสมณโคดมได้พูดอะไรที่ในบ้านของข้าพเจ้าไหมพระพุทธองค์ก็บอกพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสมณโคดมเอาหลักฐานที่ไหนมาพูดถ้าพูดอย่างนั้นก็เหมือนกัะดูถูกเหยียดหยามผมชัดๆ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 พอให้กินอย่างอาหารอย่างดีให้กินแล้วเปให้แค่ว่าแสดงความคุ้นเชื่องอย่างมากๆและไปกระซิบที่หูหมาพ่อพ่อพ่อที่พ่อฝังเงินทองของใช้สร้อยรองเท้าทองคำแล้วก็สิ่งที่เป็นมีคุณค่านี่ที่ผมเห็นนี่พ่อเอาไปฝังไว้ที่ไหนคือเศรษฐีเนี่ย จะให้ใครรู้ก็ไม่ให้ใครรู้นะเห็นได้ซื้อทองคําซื้อไหลมาก็ใสในตุ่มในโอง่งเสร็จแล้วก็ขมโมยไปฝังกลางคืนเหมือนก้นตัวเองคงไปฝังกลางคืนเองก็ปิดเองแล้วก็เฉยแต่ลูกชายเขาเห็นมันของมันไปไหนวะทั้งที่เห็นอยู่กับพ่อแล้วมันหายไปไหนไม่ใช่พ่อขายนะพ่อตรงฝังแน่ๆนะแต่ไม่รู้ไปหายไปไหนแต่นี้พระพุทธเจ้าได้บอกว่า ให้กอดคอหมาแล้วก็ถามกระซิบใส่หูหมาพ่อพ่อพอ่ของเงินคําที่พ่อเอามาไว้น่ยพ่อเอาไปฝังไว้ที่ไหนพ่อเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นะนะนะจากนั้นหมามันจะพาไปเลยแต่หให้จะเงินตามหลังหมาเลยพอไปมันหมาตะกุยที่ตรงไหนก็ให้ขุดตรงนั้นแหละทำหรือิถามหรืิเอาอย่างนั้นนตะ่นะไม่ต้องมาถามชักไซเราตะทากดพระพุทธเจ้ามาเศรษฐีหนุม่มก็เออไปทดลองดูย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 ขาซ้ายขาขวาขาหลังเสร็จแล้วมันก็เดินโดยโดยโดยโดยไปมันก็ไปตะกุยตะกุยตะกุยเอีแล้วกันเดินไปกับตะกุยตะกุยตะกุยเนีเศรษฐีหนุ่มคนเห็นว่ามันตะกุยตรงไหนกันนั่นอ่ะขุดเลยแต่ไหนหาคนมาขุดอ๋อที่ไหนได้มันสมบัติอื้อซาเลยว่าเทนั้นเถอะทองคําอยู่ในนั้นเต็มอื้อซาเลยนั่นแหละทีนี้กับเศรษฐีหนุ่มคนนั้นก็แบบโอ้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 โอ้ยเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์พูดทุกอย่างนั่นแหละโตธยาพามาเป็นพ่อของของของเธอเพราะทํากรรมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เพราะหวงแหนรักสงวนหวงแหรไม่มีที่เกิดบุญตัวเองก็ไม่มีมาเกิดเป็นหมายอย่างนั้นเพราะนั้นให้เลี้ยงเขาให้ดีนะครับผมพระองค์ประเทศเนี่ยฟังสิทธิอยาประมาทนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะ ตัวที่จะพาให้เกิดนะั่นคือวิญญาณนะใจนะตัวผู้รู้รู้นะจะพาไปเกิดนะร่างกายแตกตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ใจนะั้นไม่ตายนะเกิดอีกเพราะนั้นสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าไม่สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เดี๋ยวตายแล้วก็ไปเป็นหมายอย่างพ่อนะั่นแหละพอฟังธรรมเทศนาจบเศรษฐีหนุ่มคนนั้นได้สําเร็จพระสุดาบันนะนี่แหละพระพุทธองค์ท่านโปรดวีนายสัตว์ ในยุคสมัยนั้นอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำทวันเดือนหกเป็นปุเพเนวาสารุสติยานและลึกชาตหผลหลังได้ตายแล้วไม่สูญจุตูปะปาตยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์พระพุทธองค์ก็รู้เนี่แหละหมาตัวนั้น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 ตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์คนอื่นก็ไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อพูดฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าไม่เชื่อเอาเถอะมีวิธีพิสูจน์ไหมถ้าถามมาเหมือนกันเลยหลวงพ่อเองมีวิธีการจับพิสูจน์ไหมเหมือนกับเราไฟไม่ร้อนนจะมีพิสูจน์มั้ยมีจับเลยเอามือจริงเข้าไปแล้วจับเลยจะรู้ได้หลวงพ่อก็จะบอกถ้าจับแล้วไม่ไฟไม่ร้อนเออมาบอกกัน ถ้าจับร้อนนะเออมันร้อนอย่างนี้ไฟอันนี้ก็เหมือนกันอย่างวิธีการทำํำทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้นั่งสมาธินะี่ให้นั่งสมาธินะจึงจะรู้ได้ถ้าไม่นั่งสมาธิรู้ไม่ได้หรอกทํำยังไงก็ไม่ได้คิดเอาเฉยๆก็ไม่ได้เดาเอาก็ไม่ได้คํานวณคณิตศาสตร์จะขนาดไหนก็ไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์มาจับก็ไม่ได้ เ, เรื่องวิญญาณเนี่ยทายังไงก็ไม่ได้มีแต่ปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติทํำยังไง นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจใเข้าออกให้จิตติ้งให้จิตสงบให้ใจเนะี่ยจะให้มันกระสับกระสายอย่าให้ปรุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกให้ใจอยู่กับตัวเองเมื่อใจอยู่กับตัวเองนั้จิตสงบแล้วจะเนี่จิตนิง่งเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิทันกาอุปจัตอุปจาระอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียว รู้ได้ว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งนั่นแหละท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องพิสูจน์ที่อื่นพิสูจน์ในตัวของท่านเองท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่อันนี้ก็คือหลักพิสูจน์ในหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้เราพิสูจน์นะถ้าเราไม่เชื่อเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับตามบอดไม่เชื่ อ, อว่ามีควากมีหนามมีเหวมีบ่อไม่เชื่อคนตาดีเตะไปเตะมาเตะใส่ ต้นเสาขาหักได้ไง่ายๆถ้าเตะต้นกล้วยเออค่อยยังชั่วหน่อยมันเตะที่อ่อนฮ ะ, นะถ้าเตะที่ต้นเสาถ้าตเตะที่หลักปูนเาเมร์นี่ยระวังเพราะงั้นตาบอดเหมือนกันะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดกับพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่การบวชทำตุนยังไงการประพฤติการดำรงชีพของเราเป็นมาอย่างไงตายเกิดตายสู์พิธีการพิสูจน์หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดวันนี้